เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่นเป็นความรู้ในสัจจะคือความจริงซึ่ง มีอยู่เป็นไปอยู่ในตนรวมเข้าก่อนในสัจจะทั้งสี่คือในทุกขในสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ในนิโรธความดับทุกข์และในมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ล้วนเป็นสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในตนทุกข์ก็มีอยู่ในตนสมุทัยก็มีอยู่นิโรธและมรรคก็มีอยู่ เมื่อปฏิบัติให้มีขึ้นก็มีอยู่ในตนแต่ในขณะที่ยังไม่ได้ปฏิบัติในมัคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ยังไม่พบนิโรธความดับทุกข์ ทุกและสมุทัยก็ย่อมปรากฏอยู่เป็นไปอยู่ในตนดังจะพึงเห็นได้ในเมื่อพินิษพิจารณาดูก็จะพบสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ เอาเฉพาะที่พระพุธทธเจ้าทรงยกขึ้นไว้คือตัญหาคำดินรนทยานยากต่างๆก็มีอยู่เป็นไปอยู่ปรากฏให้เห็นได้และทุกอันเป็นผลเป็นความ ผู้รนทุรายเดือดร้อนต่างๆเป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆก็ปรากฏให้เห็นได้แต่ว่าอาศัยที่สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ยกเอาตันหาความดิ้นรนทยันอยากนั้นก็เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับถึงจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็มีเกิดมีดับเมื่อเป็นดังนี้ จึงได้พบความดับซึ่งเป็นคติธรรมดาดังนี้สลับกันไปอยู่เสมอความไม่สบายกายไม่สบายใจอันเป็นผลที่เกิดขึ้นก็ดับไปอยู่เสมอแต่แล้วก็เกิดขึ้นอีก กับทั้งบุคคลได้รับความสุขสมนัตอันเป็นผลของการได้ในสิ่งที่ปรารถนาต้องการ จึงทำให้รู้สึกสบายกายสบายใจในคราวหนึ่งคราวหนึ่งความสบายกายสบายใจนั้นก็หายไปก็ได้ความไม่สบายกายไม่สบายใจมาเกิดสลับ เพราะต้องพบกับความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นอันว่าได้สุขได้ทุกข์สลับกันไปทำให้ ไม่มองเห็นในสัจจะสึกความจริงที่พระพุทธเจ้าไดสัแสดงที่ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกยังมองเห็นเป็นความสุข และก็ติดอยู่ในสุขที่ได้นั่นเป็นครั้งเป็นคราวความยากในการที่จะเห็นสัจจะคือความจริงว่าเป็นทุกข์ยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เพลิดเพลินยินดีติดอยู่ ในสุขโสมนัสหรือความสุขที่ได้เพระสมหวังพระสมปรารถนาในบางครั้งบางคราวสลับกันไปกับที่ไม่สมหวังอันเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่เพราะตัวตัณหานี้เองที่ทำให้มีความหวังแม้จะอยู่ในทุกข์เดือดร้อน แต่ก็มีความหวังหวังในความสุขที่จะได้ต่อไปหวังว่าความทุกข์เดือดร้อนจะหายไปซึ่งทุกทุกข์เดือดร้อนนั้นก็หายไปคือดับไปตามคติของธรรมดาบ้างกับได้รับความสุขขึ้นมาใหม่ มันเป็นผลที่ได้จากการได้มาทดแทนบางเมื่อเป็นดังนี้จึงมองไม่เห็นทุกข์เหมือนอย่างร่างกายอันนี้เมื่อเกิดหิวขึ้นมาจึงรู้สึกเป็นทุกข์ เมื่อบริโภคอาหารเข้าไปก็อิ่มหนำสำราญก็รู้สึกเป็นสุขและเพราะเหตุที่ได้มีอาหารบริโภคอิ่มหนำสำราญกับทั้งได้รับกายบริหาร ทั้งที่เป็นไปโดยธรรมชาติและทั้งที่การบำรุงให้มีขึ้นร่างกายมีอนามัยมีผาสุขก็รู้สึกว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นจึงได้ มีแสดงถึงพรามผู้หนึ่งได้เอามือลูปกายของตนซึ่งเป็นกายที่มีอนามัยจึงมีความแข็งแรงไม่รู้สึกว่าเป็นโรคอะไร วันนี้แหละคือนิพพานก็คือหมายเอาความที่ไม่มีโรคทางกายปรากฏกายจึงแข็งแรงพรามก็ถือวันนี้แหละคือนิพพานไวประพุทธเจ้า ก็เดดตรัดเป็นพระพุทธภาสิทธไว้ว่าอารุกยาปรมาราพาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหรือลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าทรงมุ่งหมายเอาถึงโรคคือกิเลส เป็นต้นว่าความดิ้นรนทยานอยากของจิตใจสิ้นกิเลสจึงจะเป็นอารมยะคือความไม่มีโรคความไม่มีโรคเป็นราบอย่างยิ่งทางพุทธศาสนาจึงมุ่งทึงความที่ไม่มีโรคคือกิเลส ก็คือจิตว่างกิเลส ท, ที่เรียกว่าจิตว่างอันความว่างกิเลสนี้ได้มีพระพุทธภาติตแสดงไว้ เห็นนิพพานังประมังสุญญยังนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งก็หมายถึงความว่างกิเลสและได้มีสัพธรรมะอีกคำหนึ่ง เรียกว่าสุญญาตาคือความว่างอันสุญญาตาคือความว่างนี้พระบรมศาสดาก็ได้ทรงแสดงไว้นับกัรไปไปิดนับตั้งแต่สุญญาตาคือความว่างตั้งแต่เบื้องต้น เป็นขั้นสมาธิขึ้นไปโดยลําดับจนถึงที่สุดดังที่มีเรื่องแสดงไว้ในพระสูตรที่แสดงถึงสุดยตตาคือความว่าง รวมความเข้ามาตั้งแต่เบื้องต้นว่าสมัยหนึ่งพระภูมิพระภาคพุทธเจา้าได้ประทับอยู่ ในบุพารามของนางวิสาขามิคารมาดากรุงสาวัตถี พันพระอันน์ได้เข้าเฝ้าในเย็นวันหนึ่งและได้กราบทูลว่าเมื่อครั้งที่พระภูมิพระภาคพุทธเจ้า ระทับอยู่ในสักกชนบทในนิคมแห่งสากยะทั้งหลายอันชื่อว่านครกะ อันพระอ น, นุได้ฟังพระพุทธดำรัสที่ตรัสไว้ว่าเราก็คือพระภูมิพระภาคุตตเจ้าได้ประทับอยู่โดยมากในบัรนี้ ด้วยสุญญาตาวิหารอันแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือสุญญ า, าความว่างพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสรับรอง ว่าเมื่อก่อนนี้ก็ดีในบัดนี้ก็ดีพระองค์คือพระภูมิพระภาคพุทธเจ้าได้ทรงอยู่โดยมากด้วยสุญญาาวิหารธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือสุญญาตาความว่าง ต่อจากนั้นก็ได้ตรัสแสดงถึงการปฏิบัติธรรมสุญญาตาคือความว่างไปโดยลำดับตั้งแต่ในเบื้องตน้นเป็นข้อข้อไปโดยลำดับ ข้อแรกได้ทรงแสดงว่าในปราสาทคือในสิ่งก่อสร้างที่เป็นชั้นๆในบุพารามของนางวิสาขา มีคารมานานี้เป็นที่ว่างจากชาโคกระบือจากเงินทองจากสันนิบาต คือความประชุมของชายหญิงทั้งหลายก็คือว่าว่างจากบ้านว่างจากมนุษย์ทั้งหลายก็ เ, เป็นอาราม ันใดก็ให้ปฏิบัติมณสิการททำไว้ในใจกําหนดไว้ในใจเหมือนอย่างนั้นกล่าวคือ ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นบ้านไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นป่าไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นมนุษย์ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นบ้าน ไม่ใส่ใจกำหนดว่าเป็นมนุษย์คือผู้คนแต่ว่ามณสิการใส่ใจกำหนดเสียว่าเป็นป่าปราศจากบ้านปราศจากมนุษย์ผู้คน เมื่อกล่าวโดยอุปมาข้างต้นบุพารามนั้นว่างจากบ้านว่างจากมนุษย์คือผู้คนดังกล่าว แต่ว่าไม่ว่างอยู่สิ่งหนึ่งก็คือภิกษุสงฆ์เพราะภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่ในบุพารามนั่นแม่ ความที่ไม่ใส่ใจว่าเป็นบ้านว่าเป็นมนศศุษย์ผู้คนแต่ว่าใส่ใจว่าเป็นป่าดังกล่าวนั้นก็เป็นสุญญตาคือความว่าง ความที่ยังจิตลงสู่สัญญาตาคือความว่างแต่ว่าก็ยังไม่ว่างอยู่อีกสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกันก็คือว่า ยังมีแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยที่ลุ่มที่ดอนต้นไม้ภูเขาหวยน้องเป็นต้น อันรวมเรียกว่าเป็นป่านั้นนั่นเองนี่เป็นข้อแรกของการปฏิบัติขดธรรมจิตที่ทรงสั่งสอนและเป็นข้อที่ภูปฏิบัติธรรมะ งสมาธิพึงถือเป็นหลักปฏิบัติได้กล่าวคือแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ในหมู่มนุษย์ที่เป็นชาวบ้านด้วยกัน ก็สามารถทำสมาธิได้กล่าวคือไม่ใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นบ้านไม่ใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นหมูค่คนแต่ว่าใส่ใจกำหนดหมายว่าเป็นป่า เหมือนอย่างไม่มีบ้านเหมือนอย่างไม่มีผู้คนป่านั้นก็เป็นสถานที่ประกอบด้วยต้นไม้ภูเขาไว้น้องคลองบึงที่ลุ่มที่ดอน ตลอดจนถึงสัตว์ป่าทั้งหลายไม่มีบ้านไม่มีผู้คนใส่ใจกำหนดลงว่าเป็นป่าดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติ อย่างจิตลงไปสู่สุญญาตาคือความว่างขั้นแรกและเมื่อเป็นดังนี้ก็สามารถทำจิตให้สงบได้เหมือนอยู่ในป่า ก็เป็นสุญญาตาคือความว่างเพราะว่างจากความกำหนดหมายว่าเป็นบ้านมาเป็นหมู่คนนั่นเองเป็นสุญญาตาในข้อนี้ฉะนั้น จึงแสดงว่าความสำคัญนั้นอยู่ที่จิตใจเมื่อจิตใจไม่กำหนดไม่ใส่ใจถึงสิ่งอันใดสิ่งอันนั้น ก็ว่างไปเหมือนไม่มีแม้จะมีก็เหมือนไม่มีแม้ว่าจะเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆไม่มีบ้านไม่มีผู้คนแต่จิตใจ ยังคำหนึ่งถึงบ้านคำหนึ่งถึงผู้คนบ้านและผู้คนก็มาตั้งอยู่ในจิตใจแม้กายจะอยู่ในป่าก็ตามก็เป็นอันว่าจิตใจก็คงไม่สงบอยู่นั่นเอง กลับรงกันข้ามกายอยู่ในบ้านอยู่กับผู้คนทั้งหลายแต่ว่าจิตใจไม่ใส่ใจถึงกำหนดว่าเป็นปา่าป่าก็ตั้งขึ้นในจิตใจจิตใจก็มีความสงบได้ เพราะฉะนั้นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเป็นข้อแรกนี้จึงเป็นข้อสำคัญอันแสดงว่าการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นความสำคัญอยู่ที่ จิตใจเมื่อจิตใจไปคิดถึงดำริดถึงหมกมุ่นถึงในสิ่งอันใดสิ่งอันนั้น